เราเที่ยวศึกษาธรรมะกันนะควรเรียนที่นอนเรียนที่นี่ไปไดๆ ไ, ไม่ได้หลักเราควรจะเรียนซะ ก, ก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าเรารู้ขอบเขตคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยถ้าเราฟังครูบาอาจารย์ไม่เข้าใจง่ายอย่างองค์นี้ท่านพูดเรื่องดูกระตูก ตรงนี้เรื่องพุทธโธตรงนี้หายใจอะไรอยู่ๆเราเที่ยวฟังเรื่อยๆไปนะสับสนคนนี้ดูท้องพองยุบตรงนี้ไปเดินรงกลมยกเท้าย่างเท้านี้ทาจังหวะขยับมือฟังแล้วเบียยหัวจับหลักไม่ได้นะี่นะวุ่นวายมากเลยเล่นก่อนจะไปศึกษากับครูบาอาจารย์อะไรนะเรียนสักก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร งั้นเรามองภาพรวมไม่ออกเราไปหลงกับคาว่าอุบายวิธีปฏิบัติของแต่ละสํานักสํานักนี้มีอุบายวิธีอย่างนี้อีกสํานักนึงเป็นอย่างนี้อันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะมั่วกันไปหมดเลยงั้นเราต้องเรียนก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วก็ถ้าเราเข้าใจภาพรวมนะต่อไปเวลาเราไปฟังครูบาอาจารย์ ที่ไหนก็ตามเราฟังปุ๊บเราจะรู้เลยว่าแต่ละท่านแต่ละท่านสอนอยู่ตรงจุดไหนในคําสอนของพระพุทธเจ้าคล้ายๆเราเห็นแผนที่รวมก่อนเราเห็นภาพรวมแล้วเราฟังรู้เลยนี่สมมติเราเห็นแผนที่ประเทศไทยเรารู้เลยชนบุรีเนี่ยอยู่ภาคตะวันออกไม่ได้อยู่ภาคตะวันตกอะไรเงี้ยเนีงั้นฟังแล้วสับสนเงี่ยเรามาเรียนนะให้รู้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะีจะเป็นกรอบกว้างๆจะให้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติสก่รนแล้วก็อุบายวิธีเนี่ยต้องไปดูเอาเองแต่ละคนแต่ละคนทางใครทางมันอย่างบางคนนะพุโทโธแล้วก็มารู้ทันจิตภาวนาไปได้ดีแล้วก็ต้องใช้วิธีนี้บางคนกำหนดลมหายใจนะจิตเข้าฌานไปออกจากฌานต้องมาพิจารณากายออย่างเงี้ย น่นเป็นเรื่องของอุบายเรื่องของแท็ติกแท็ติกแค่อุบายในวิธีปฏิบัติเรามาเรียนให้รู้หลักหลักจริงๆนะทะหารมันจะมีคำอยู่สองคำนะคำว่ายุทธศาสตร์กับยุทธวิธียุทธศาสตร์เนี่ยเป็นกรอบ ใ, ใหญ่เลยนะว่าจะไปแนวนี้นะส่วนยุทธวิธีนะั้นเป็นอุบายเป็นแท็กติกเส้นที่ชกับแท ctic กสองคำนี้ถ้าเราไม่รู้เรื่องเราจะมั่วมากเลย แล้วก็นั่งทะเลาะกันว่าพองยุบดีหรือว่าพุโทโธดีบางคนว่าพุโทโธเป็นสมถะต้องพองยุบก็เพ่งท้องพองเพ่งท้องยุบมันก็สมถะอีกเลยบางคนบอกว่าไม่เอาสมถะอย่างหลวงพ่อเทียนบอกไม่เอาสมถะแล้วท่านหัดพุดโทโธแล้วจิตไม่เคยรวมเลยท่านมาขยับมือแล้วท่านภาวนาไปได้อันนี้อันนี้มันหมอะกับหลวงพ่อเทียนนะ ปรากฏว่าลูกศิษย์หลวงพ่อเตียนบอกไม่เอาสมถาไม่เอาพุโทโธนะขยับมือก็ไปเพ่งใส่มือกันไปเพ่งใส่มือนั่นแนหะสมถะอีกละหลวงพ่อเตียนไม่ได้ให้เพ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้หลักของการปฏิบัตนะิเราไปเรียนอู่บายคอนแต่ละสำนักเราจะสับสนเรียนหลักให้ดีสะกก่อนหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นะจะครอบคลุมอยู่ในธรรมะเรื่องอริยสัจนะอริยสัจเนี่ยท่านเทียบบอกเหมือนรอยเท้าช้าง สัตว์บกทั้งหลายเนี่ยช้างตัวใหญ่ที่สุดเท้าโตที่สุดบอกรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเอาไปเหยียบทับไปในรอยเท้าช้างได้หมาถึงไปบรรจุอยู่ในรอยเท้าช้างได้หมดทุกตัวเลยยกพุท ธ, ธกาลเนี่ยไม่มีไดโนเสาร์นะงนั้นท่านจะต้องบอกว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหลายรวมลงในรอยเท้าได โ, ดโนเสาร์ยกนั้นตัวใหญ่ที่สุดคือช้างบอกว่าธรรมะทั้งหลายนยีรวมลงในอริยสัตว์ ธรรมะมันมีสองส่วนส่วนของความเกิดความดับคือส่วนของทุกข์และสมุทัยส่วนที่ไม่เกิดไม่ดับน้ำพ้นโลกต่ส่วนของโลกุตระนั้นก็มีนิโรธกับมะเป็นวิธีปฏิบัตินิโรธนะเป็นผลเป็นอริยผลมักเป็นอริยเหตุทำเหตุอันนึงเป็นผลอันนึงเป็นเหตุ ทุกข์สุมไทยอันหนึ่งก็เป็นผลตัวทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นตัวเหตุเรนี้เป็นฝ่ายเกิดฝ่ายดับฝ่ายของโลกเนี่นธรรมะของพระเจ้ามนันเลยครอบคลุมอยู่สองส่วนส่วนของโลกิยาและส่วนของโลกุตระคนทั่วทวไปยังไม่มีกําลังที่จะก้าไปสู่โลกุตระได้ท่านก็สอนธรรมะในขั้นจริยธรรมเรียนเรื่องจริยธรรม ถ้าคนไหนมีวาสนาบารมีพอนะท่านจะสอนธรรมะที่จะก้าวไปสู่โลกุตระการจะไปสู่โลกุตตะนะหลักของศีลสมาธิปัญญานั่นเองหลักของไตรสิกขาท่านสอนให้เราศึกษาสามอย่างนะที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นโลกอย่างแท้จริงคือโลกุตตะนะท่านสอนเรื่องศีลสิกขานะศึกษาว่าทายังไงศีลจะเกิดขึ้น สารเรื่องจิตศิกขาศึกษาว่าทำยังไงสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นสารเรื่องปัญญาศิกขาทำยังไงจิตที่มีสมาธิถูกต้องแล้วจะสามารถเจริญปัญญาคือเห็นความจริงของรูปนามได้ถ้าเห็นความจริงของรูปนามได้จิต จ, จ, จะเกิดความหลุดปนขึ้นมาปล่อยวางความยึดถือในรูปนามได้ตัวรูปนามนี่แหละเป็นตัวสาคัญนะในขั้นของการเจริญปัญญา ตัวรูปนามนี้แหละคือคําว่าทุกข์นั่นแหละทุกข์ให้รู้ก็คือให้รู้รูปรู้นามนะถ้ารู้ทุกเมื่อไหร่ก็จะละสมุทยัยละตัณหาเมื่อ น, นั้นละสมุทัยเมื่อไหร่นะก็จะแจ้งนิโรธคือแจ้งนิพพานเมื่อ น, นั้นแจ้งนิพพานเมื่อไหร่อริยมรต ก, ก็เกิดขึ้นมานั้นเราะฉนั้นการรู้ทุกข์ละสมุทยัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรตนะั้นจะเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันเป็นความอัศจรรย์มากเลยนะ งานตั้งสี่ชนิดนะซึ่งไม่น่าจะรวมกันได้นะทามาเสร็จพร้อมๆกันเสร็จจิตในขณะเดียวกันเลยไม่มีอะไรต้องทําอีกแล้วไม่มีทุก์ต้องรู้ต่อไม่มีสมุทัยต้องละต่อไม่มีนิโรธต้องไปแจ้งต่อไม่มีมรรคที่ต้องเจริญต่อนะเรียกว่าจบจิตจริงๆเลยในขณะจิตเดียวเท่านั้นเองแ้่ก่อนจะไปถึงตัวนั้นได้นะเราก็ต้องมาเรียนเรื่องศีลและศีกขาจิตตศีกขาปัญญาศิกขาซะก่อน ถ้าไม่เรียนศีลสิกคาจิตสิคาปัญญาศิขานีไม่มีทางที่จะมีศีลที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องมีปัญญาที่ถูกต้องเมื่อปราศจากปัญญาที่ถูกต้องเนี่ยความหลุดพ้นจะมีไม่ได้นะปัญญาที่ถูกต้องจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องก็มีไม่ได้เหมือนกันถ้าไม่มีศีลที่ถูกต้องนะงั้นมันเหมือนบันไดสามขั้นก้าวขึ้นไปงัเราเรียน สิ่งเหล่านี้ให้ถองแท้มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยจะถ า, ามว่าจะมาเรียนเรื่องอะไรมาเรียนเรื่องไตรสิกขาเนี่นแหละถ้าเราเรียนเรื่องไตรสิกขาได้เราไปเจริญมรรคได้เจริญมรรคก็คือการรู้ทุกขนะ์จนกระทั่งมันละสมุทยัยป็นแจ้งนิโรธขึ้นมานั่นะแหละคือการเจริญอริยมรรคส่วนจริยธรรมนะธรรมะที่อยู่กับโลกพวกเราถ้าเราปฏิบัติธรรมนะเรามีสติ สัมปชัญญะนะเรารู้อยู่ที่จิตที่ใจของเราได้นะจริยธรรมมันจะมาเองเป็นเรื่องไม่ยากอะไรเราไม่ลักไม่ขโมยใครไม่เป็นชู้กับใครนะไม่ทำร้ายใครอะไรเนี่ยเป็นธรรมะในขั้นจริยธรรมต้องกระตันยูกับพ่อแม่กับบุพการีครูบาอาจารย์เนี่ยนะต้องมีความเมตตากรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาจะดูแลลูก ต้องมีธรรมะยังไงในการเลี้ยงลูกเนี่ยจะอยู่กับเพื่อนจะมีธรรมะยังไงที่อยู่กับเพื่อนเนีสิ่งเหล่านี้พระเจ้าสอนหมดนะธรรมะระหว่างสามีปัญญาก็สอนนี่เป็นเรื่องของจริยธรรมที่จะอยู่กับโลกอย่างสงบสันติสําหรับคนซึ่ง C, อินทรีย์เขายังไม่แก่กล้าแต่คนอินทรีย์แก่กล้าพอมาเจริญสติเจริญปัญญานะธรรมะเหล่านี้มันมาเองเป็นของแถมอัตโนมัตินะอย่างความเมตตากรุณามันเกิดเองะ แล้เราศึกษาเรื่องศีลสิกขาให้มากนะฉะนั้นทั้งใจเราคุ้นเคยอาการมีศีลใจมันมีศีลมันเป็นปกติของมันเนีแทนที่มันจะมีโทสะไปทําร้ายคนอื่นนะมันจะเปลี่ยนเป็นเมตตาแทนที่มันจะไปรักขโมยคนอื่นนะมันจะสามารถทําทานได้แทนที่มันจะเจ้าชูเรียราชนะมันจะสันโดษในกามเนีแทนที่มันจะโกหกปิ้นปล่อนหลอกลวงไปวันวันนะมันจะมีสัจจะเึ้นมานะ เรารักษาศีลให้ดีนะถ้าไปธรรมะมันก็เกิดธรรมะเหล่านี้เอาไว้ใช้อยู่กับโลกมีความสุขถ้าโลกมีธรรมะโลกก็มีความสุขนะทุกวันนี้โลกไม่มีธรรมะโลกมีแต่อธรรมเต็มไปหมดเลยดูแล้วน่าสงสารกิเลสนะคลองโลกกิเลสเป็นคลองโลกคนถูกกิเลสผลักดัน ก็พยายามทำสิ่งต่างๆขึ้นมาคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเองไม่รู้หรอกว่าเป็นทุกข์เป็นโทษกับตนเองเป็นทุกข์เป็นโทษกับผู้อื่นเห็นของไม่มีสาระเป็นของมีสาระนะเห็นของไม่มีประโยชน์เป็นของมีประโยชน์เห็นของที่ไม่เหมาะ ก, กับตัวเองว่าเหมาะ ก, กับตัวเองแล้วก็มุ่งทำสิ่งซึ่งมันไม่เหมาะ น, ะนี่เรียกว่าขาดปัญญาพื้นฐานนั่นคือขาดสัมพันัญะ น, ะนะั่นเองนะพวกเราชาวพุทธเราต้องมาพัฒนาจิตใจของเรานะ ในสภาวะที่ทุกข์มากมายเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปยังไม่รู้เลยเศรษฐกิจจะอยู่ไหมจะพังไหมอะไรเนี้ยอยู่ดีๆนั่งรถดีๆเขาจะยิงเอาก็ได้ยุคอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองอะไรจะเกิดกับเราชีวิตเราเราไม่รู้เลยเราออกจากบ้านมาวันนี้เราจะได้กลับบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราจะกลับกี่โมงก็ไม่รู้เาจะปิดถนนอีกอะไรเงี้ยลูกเรา ไปโรงเรียนจะได้กลับมาอีกอเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีอะไรที่เรารู้เลยสักอย่างเราั้นเราต้องเตรียมความพร้อมของเรานะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเราต้องไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องไม่ชั่วทนะุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันแผดเผาเราขนาดนี้นะแต่ความชั่วเนี่ยตามแผดเผาเรานับปศนับชาติไม่ท้วนเลยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นต้องไม่ชั่วนะทําไงจะอยู่กับโลกเข้าใจโลกเป็นกลางกับโลกนะ โรค ก, กระทบกระทั่งเข้ามาถึงใจไม่ได้นี่แหละชาวพุทธเราจะมาสู่จุดนี้นะปัญหามีอยู่ปัญหาไม่ใช่ไม่มีแต่ความทุกข์เข้ามาไม่ถึงใจะความทุกข์เนี่ยเข้ามาถึงกายได้แต่มาไม่ถึงใจเนี่ยถ้าเราเป็นลูกหลานพุทธเจ้านะเราจะเข้ามาสู่สภาวะ น, นี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงใจถ้าใจของเรามีธรรมามากพองั้นหลวงพ่อเชิญชวนพวกเรามาศึกษานะ เรียนว่าทํำยังไงศีลจะเกิดเรียนเรื่องจิตสิกขาทํายังไงจิตจะมีคุณภาพมีสมาธิที่ถูกต้องทํายังไงจะปัญญาจะเกิดเรียกปัญญาสิกขางาน3งานนี้คืองานที่พวกเรามีหน้าที่เรียนนะแล้วเมื่อเราเรียนไปแล้วถึงจุดหนึ่งเนศีลสมาธิปัญญาของเราที่ถูกต้องมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นอัตโนมัติขึ้นมา มันจะรวมตัวพลังของความดีทั้งหลายมันจะมารวมตัวลงในขณะจิตเดียวกันศีล ส, สมาธิปัญญารวมตัวลงในขณะจิตเดียวกันนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโพชฌงเจตอะไรต่ออะไรมรกมีองค์8คุณธรรมความดีทั้งหลายนะรวมแล้ว37ประการมันจะรวมตัวลงในขณะเดียวกันรวมลงที่ใดรวมลงที่จิตนะด้วยอำนาจของสัมมาสมาธิ ความดีทั้งหลายจะประชุมรวมลงมาแล้วจะเกิดเป็นพลังที่มหาศาลนะสามารถถอดถอนกิเลสที่ซ่อนอยู่ในจิตส่วนลึกของพวกเราได้นมะ่ว่าสังโยชน์ทั้งหลายกิเลสที่ซ่อนอยู่ในใจของเราอย่างลึกซึ้งเลยถ้าถอนแล้วนี่จะไม่ขึ้นมาอีกคล้ายๆเราตัดหญ้าถ้าเราทำสมาธินะมันก็เหมือนเราเห็นหญ้าโผล่ขึ้นมาเราก็เอามีดไปตัดมัน ถ้าเราจเจริญปัญญาถึงขั้นที่เป็นมรรคนะี่ยมันเหมือนขุดรากหญ้าขึ้นมาเลยไม่เหลือยะรากเลยนมะัจะไม่งอกขึ้นมาอีกละจะศูนย์พันไปเลยมีเวลาสิบนาทีฟังเรื่องศีลก่อนศนะีลจําเป็นนะคนทั่วๆไปยิ่งคนยุคนี้เนี่ยดูถูกศีลเห็นว่าศีลเป็นเรื่องของคนโง่หรือบางทีก็คิดว่าศีลเป็นอุบายของพวกนักปราดที่จะสอนให้สังคมสงบสุข ทำไมจะต้องมีอุบงอุบายในศะีลนั้นมันจำเป็นอยู่แล้วศนะีลคือความเป็นปกติของใจนะที่จะไม่ถูกกิเลสครอบงําจนเราไปทำความชั่วทางกายทางวาจานะใจมันมาก่อนนะถ้าใจเราไม่ชั่วกายวาจาจะชั่วไม่ได้หรอกนะแต่บางทีเป็นความเคยชินอย่างพระอราหันต์บางค น, นท่านชอบด่าเจอคนท่านเรียกไอ้ถอยไอ้ถอยนะท่านเรียกเ่ความเคยชินใจท่านไม่ชั่วนะ ปากของท่านมันเป็นอัตโนมัติไปนะนั่นไม่ใช่ว่าเจตนาว่าใครเพราะงั้นไม่ใช่เป็นวาจาทุจริตอะไรหรอกเพราะงั้นงานหลักจริงๆที่จะรักษาศีลได้จริงๆต้องรักษาที่จิตการรักษาศีลถ้ารักษาที่มือที่เท้าที่ปากรักษายากอย่างปากเราวัยใช่ไหมปากเราไวเคยมีไ ม, ไม่เจตนาจะด่าก็ด่าเห็นไหม หรือแม่เจตมาจะฟุ้งซ่านนะคุยใจใจใจสีต่างพร้อยนะพูดฟุ้งซ่านไม่ใช่แค่ว่าพูดโกหกนะจะรักษาศีลให้หมดจดนะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพิรเจอร์พูดเพิร์เจอร์เนี่ยยากที่สุดเลยที่จะไม่พูดพูดเพิรเจอร์หมายถึงว่าไม่จําเป็นแต่พูดต้องพูดด้วย คำว่าไม่จำเป็นจะพูดก็พูดเนี่ยรวมทั้งพวกที่กดแชร์กดไลา์กดไลค์อะไร้นอะไรนะนะนะนะอย่างนั้นด้วยนะเพื่อ <c oughs> <laughs> เจอทุกวันวันนงงานการไม่ทำภาวนาไม่เอาเอาแต่กดอะไรต่ออะไรเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไลค์เลยเลยนะวันวันนะ่ะเอาเวลาไปบุ้นไหวพวกนี้นะกันไม่ใช่ต้องพูดโกหกนะเขียนโกหกมันก็โกหกแหละ เวลาเล่นเน็ดเล่นเน่ด น, นะชอบเขียนอะไรกันเพื่อให้ชั้นดูดีบางทีก็เขียนเพื่อสะใจนี่กิเลสทั้งนั้นนะความฟุ้งซ่านทั้งนั้นเลยเนะงั้นเปล่าๆหน่อยนะถ้าเราคิดว่าเราจะถือศีลให้ดีก็อย่าไปเขียนอะไรมั่วซั่วเขียนอะไรที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์เช่นเขียนบอกว่าให้ทุกคนช่วยกันเจริญสติอย่างนี้พยายามพูดอย่างงั้น <c oughs> แต่ไม่มีคนอ่านหรอกก็เขียนด่าคนนู้นคนนี้นะสนุก ในขณะที่เราเขียนด่าเขาเนี่ยใจกระเพื่อมใจฝูรู้สึกไหมถามจริงใครเคยไปเขียนด่าเขาวันในทางเน็ตบ้างยกมือซิมีไหมสารภาพมามีไหมกระแนกกระแหนมีไหมปวยชักเยอะเห็นไหมเขียนเลื่อยเปื่อยมีไหมโทมเทพ้พวกที่เขียนเขียนสิ่งที่ไม่มีสาระเท่าไหร่ร ล, ลองไปเปิดเน็ตดูนะหาของมีสาระนี่แทบไม่ได้เลยะ อะไรก็ไม่รู้เรลวๆไหลๆเงั้นเราไม่เพิ่เจอไม่เพิ่เจอเนี่ยไม่สมัยโบราณก็แค่ว่าไม่พูดเพิ่เจอในนี้ต้องไม่เขียนเพิ่เจอด้วยแต่ว่าคิดเพิ่เจอเนี่ยยังไม่ผิดศีลนะคิดเพิ่เจอยังไม่ทันผิดศีลแต่ก่อนที่จะพูดเพิ่เจอก่อนที่จะเขียนเพิ่เจอเนี่ยมันคิดเพิ่เจอมา ก, ก่อนก่อนที่จะไปด่าเขาหรือไปเขียนด่าเขานะในใจนะั้มันด่ามา ก, ก่อน มันโกรธก่อนนะงั้นตัวสําคัญเนี่ยมันมาจากใจนี่เองงั้นจะรักษาศีลให้ดีนะให้สะดวกให้สบายนะก็มีสติรักษาใจมีสติรักษาใจหมายถึงยังไงหมายถึงว่าถ้ากิเลสอะไรเกิดที่ใจเรารู้ทันกิเลสนั้นจะครอบงําใจไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงําใจไม่ได้ศีลมีกี่ข้อก็ไม่ผิดสักข้อหรอกนะอย่างเวลาความโกรธเกิดขึ้นใช่ไหย เราทำผิดศีลได้ทั้งห้าข้อเลยนะโทสะเกิดเนี่ยทำผิดศีลได้ทั้งห้าข้อเวลามีโทสะเกิดไปตีเขาก็ได้ทำร้ายเขาไปฆ่าเขาก็ได้ใช่ไหมไปแกล้งทำลายทรัพย์สินเขาก็ได้แกล้งขโมยสมบัติเขาก็ได้แกล้งเป็นชู้กับลูกเมี ย, ยเขาก็ได้ไปใส่ร้ายเขาก็ได้ไปแกล้งยกย่องเขาให้เสียผู้เสียคนไปเลยก็ได้คำยกย่องนะร้ายไม่แพ้คำด่านะถ้าสำหรับบัจจิตแล้ว คำยกย่องเนี่ร้ายกว่าคำดา่าอีกนะมันทําให้ให้เหลืงไปให้กิเลสฟูโดยที่เจ้าตัวไม่ทันระวังนะเฉะนั้นเราต้องคอยรู้ทันที่จิตนะรู้ทันจิตรู้ทันใจของเราโทสะก็ทําให้เกิดกิเลสได้หมดอย่างเสียใจก็ไปกินเหล้าใช่ไหมเป็นกลุ่มใจกลุ่มใจก็ไปกินเหล้าได้นะราคะก็ทําให้ผิด ศ, ศีลได้ทุกข้อนะมีความโลภก็ไปทําร้ายเขาก็ได้นะ อย่างบางคนห่วงเก้าอี่ห่วงเก้าอี้เป็นรอบรืดเป็นโกรธห่วงเก้าอี่เป็นราคะหรือโทสะฮะเป็นโทสะเวลาห่วงอ่ะจิตมีสุขหรือมีทุกข์จิตมีทุกข์นะถ้าเมื่อไรจิตมีความทุกข์เกิดขึ้นสักนิดเดียวหรือกลุ้มใจสักนิดเดียวนะตัวนั้นเป็นโทสะทั้งสิ้นเลยนะวิธีดูง่ายๆเลยนี่โดนหลอกแต่เช้า นียตับจะราคาพวงราคาเนี่อาจจะเกิดร่วมกับเวทนาสองชนิดนะไม่อุเบกขาก็โสมนัตมีความสุขถ้ามีราคาราคาเนี่นใจจะมีความสุขหรือไม่ใจเฉยๆเพราะฉั้นถ้าใจมีความสุขจะไปสรุปนะว่าเป็นกุศลนะอาจจะเป็นราคะก็ได้แต่ถ้าใจมีความทุกข์เนี่ยสรุปได้เลยว่าเป็นโทสะนะถ้าจิตเป็นกุศลเนี่ยมันจะมีเวทนาสองชนิดคือโสมนัตมีความสุขกับอุเบกขามันเหมือนราคะ ค่นะอยเรื่องของจิตเรื่องของใจนะเปนเรื่องประณีตค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปเรียนรู้มันสนุกเรานะ่รู้อะไรสารพัดเลยแต่ละคนนะเราไม่รู้เรื่องจิตใจของเราเองอาภาพที่สุดเลยใจมันถึงได้แสบใส่หาความทุกข์มาใส่ตัวเองได้เรื่อยๆนี่งั้นะ ana, ถ้าเรามีสตินะค่อยเรียนรู้จิตใจของตัวเองไปราคะเกิดรู้ทันโทสะเกิดก็รู้ทั น, ท ค, ทนนะความฟุ้งซ่านเกิดก็รู้ทันความ ผ, ผุนผูเกิดก็รู้ทันค่อยรู้ไปเรื่อยๆ เวลาที่เรารู้ทันราคาโทสะโมหะอะไรที่เกิดขึ้นที่จิตที่ใจนะกิเลสจะดับอัตโนมัตินี่เป็นกฎของธรรมะนะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเนี่ยเป็นกฎของธรรมะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจะไม่มีสตินะเพราะนั้นถ้าเมื่อไรที่กิเลสเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยขณะนั้นไม่มีสติแต่ถ้าเมื่อไร่ที่เราเกิดรู้ทันว่าใจมีกิเลสกิเลสจะดับอัตโนมัติเลย ใจมันจะมีเกิดสติแลกิเลสจะหายไปเองไม่ต้องดับมันลองฟังเสียงะระฆังที่แล้วรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบใครเป็นอุเบกขาบ้างเกือบทั้งหมดจะอุเบกขาเพราะอะไรไปนั่งรอดูไหนดูซิจะชอบหรือไม่ชอบ <c oughs> ก็อุเบกขาแหละเห็นไหมโดนหลอกอีกแล้วเรื่องของจิตเราเองไม่ค่อยจะรู้เท่าไหรนะ่แล้วเรื่องของใจเราเราไม่เห็น เราเลยผลทุกข์ไม่ได้สักทนะีเพราะทุกข์มันอยู่ที่ใจเราเนี่ยเราไม่เคยรู้เคยเห็นเลยไม่รู้จักใจของตัวเองนะงั้นเรียนรู้ใจของเราเองนะถ้าเรียนไปถึงจุดหนึ่งนะเราจะรู้สึกเสมอกันนะไม่เกลียดไม่รักอะไรหรอกใจเป็นกลางมันน่าสงสารตัวนี้ก็น่าสงสารคนนี้ก็น่าสงสารน่าสงสารไปหมดงั้นมีสตินะ พวกเรารู้จักกิเลสทุกคนนะ่ะโกโรธเราก็รู้จักใช่ไม้มอยากได้โลภรู้จักไหมรักก็รู้จักอิจฉาก็ารู้จักนะอิจฉาเป็นราคะหรือโทสะอืเอออิจฉาแล้วสบายใจไหมเนี่ยดูอย่างนี้ง่ายง่ายอโ้อิจฉาแล้วไม่สบายใจขี้เหนียวลนะ่ะเนี่ยตัวนี้ดูยากนะขี้เหนียวมันเหมือนโลภะใช่ไม้ม เวลาความรู้สึกขี้เหนียวเกิดเนี่ยใจไม่แชื่อชื่นเนี่ยดูที่ใจนี่แะนะเป็นตัววัดเลยง่ายๆ ง, ง่ายเปล่าไม่รู้แต่ว่าพอนานมากมามันง่ายนะเนี่คอยรู้ทันนะอะไรเกิดขึ้นนะโลภะเกิดก็รู้โทสะเกิดก็รู้นะความฟุ้งซ่านเกิดก็รู้ความหงุดหู่เกิดก็รู้ะความสงสัยเกิดขึ้นก็รู้เนีรู้ลงไปที่ใจเรื่อยๆ พระเรารู้ทันเนกิเลสมันจะครอบงาใจไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงําใจไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดงั้นเรียนกับหลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่อสอนวิธีรักษาศีลถ้าไปปกติไปตามวัดเขาก็ให้รับศีลรัตนาใช่ไหมวิสูงวิสูงลักนัทธายะรับศีลเศษศีลก็ขาดแล้วนั่งคุยกันจอกแจก๊กจอกแจกเลยพระเจ้เทศพูดเพ้อเจอ้อศีลแบ่งนะงั้นเรียนกับหลวงพ่อเใช่ไหมเราเรียนกันที่รากเง่า คือเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยนะมีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดที่ใจแล้วศีลมันจะมาเองแนะต่เป็นี้ให้มีสติรักษาจิตไปนะแล้วศีลมันจะเกิดโดยอัตโนมัติเช้านี้เรียนแค่เรื่องศีล น, นี่ก็พอละถ้ามีศีลจะมีอะไรศีลเลน้าสุ ข, ขติยตันติมีความสุขรออยู่ข้างหน้าเราจะไปสู่ความสุขจะไปสู่ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น สีเลนะโพกระสัมปทาเราจะได้ทรัพย์จะมีทรัพย์รวมทั้งอริยทรัพย์นะสีเลนะนี่พุตธิยติศีเนี่ยเป็นฐานที่เราจะไปสู่พนานิพันธ์นะงั้นเรื่องศีลสำคัญนะไม่ใช่เรื่องกระจกงอกง่อยนีบางคนดูถูกศีลสอนลูกว่าอย่ารักษาศีนนะมีนะโกงไว้ลูกอย่างี้สอนมีเหมือนกันศีลเป็นปเรื่องของคนโง่ ง่สิที่ไม่รู้จักศีลถ้ารู้จักศีลจะรู้ว่าศีลนำมาซึ่งความสุขความเจริญอันมหาศาลเลยมันเป็นการฝึกจิตฝึกใจของเราขั้นต้นเลยขั้นสมาธิก็เป็นการฝึกจิตฝึกใจในขั้นกลางประนีตขึ้นไปขั้นการเจริญปัญญาก็คือขั้นฝึกจิตฝึกใจในขั้นสูงขันละเอียดมันคือการฝึกจิตทั้งหมดเลยในที่สุดจิตก็หลุดพ้นงั้นมีสติ รู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตบ่อยๆนะแล้วศีลจะมาเอาไปกินข้าวระหว่างกินข้าวก็คอยรู้ทันกิเลสที่เกิดที่ทจิตด้วยบางคนเห็นไข่พะโลชอบมากเหลืออยู่หนึ่งใบข้างหน้าเราก็มีคนอยู่คนเดียวนะเราคงจะถึงเราไม่ตึงเรามันตักไปก่อนโทสะก็เกิดแล้วทีแรกโลภะเกิดอยากกินไข่พะโลเราไม่ได้กินโทสะเกิดจะเข้าห้องน้ํา วันนี้เข้านานโธสาก็เกิดอ่ะไปกินข้าวนิมนต์เลยครับ